วันนี้เป็นวันพระสิบห้าค่ำเข้าพรรษามาหนึ่งเดือนพอดีก็ยังอีกสองเดือนก็เป็นมันออกพรรษาเพราะนั้นให้พวกเราตรวจตราดูอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อเช้านี่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่เราตั้งสัจจะความจริงใจตั้งจัดจะอธิษฐานไว้ในใจมันที่ผ่านมาวันไหนบ้าง ขาดตกบกพร่องไปมากน้อยแค่ไหนให้พวกเราทบทวนดูถ้าว่าทบทวนดูจะเห็นที่มันขาดตกบกพร่องถ้าไม่มองดูย้อนหลังมันจะไม่เห็นถ้ามองดูย้อนหลังเห็นแล้วอืมขาดตกบกพร่องต่อไปก็พยายามทำให้เต็นตื่นขึ้นอย่าให้ขาดตกบกพร่องอีกไม่ใช่ดูแลก็เฉย อันนั้นแปลว่ามองดูแล้วไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขการมองดูย้อนหลังก็คือเป็นบทเรียนเป็นการมองดูเพื่อปรับปรุงแก้ไขตัวเราให้ดีขึ้นจะให้ขาดตกบกพร่องที่เราได้ตั้งความจัดความจริงไว้แล้วเพราะว่าการโกหกตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่เพราะว่าตัวเองเคยโกหกตัวเองมาพอแรงแล้วจนเคยชิน่หมือนกันแต่เพราะนั้นต่อไปเรามองย้อนหลังอย่าให้โกหกตัวเองพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะอันนี้คือเป็นการกล่าวย้ำเตือนพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนนั่นนะให้นึกย้อนหลังดูเข้าพรรษา ม, มาหนึ่งเดือน ต่อไปนี่ก็เป็นเดือนที่สองที่สามละพยายามให้สม่ำเสมอผู้ที่จะไปทำวัดฟังธรรมรักษาศีลทุกวันพระก็จะให้ขาดเพราะว่าสามเดือนเหมนกมีกี่วันเพียงสิบสองวันเองก็ไม่มากไมยอะไรคล้ายๆกัน เดือนหนึ่งอาบน้ำสี่ครั้งว่างั้นแอ่หรืออาบใจชำระใจให้สะอาดสี่ครั้งก็ถ้าจะว่าไปแล้วน้อยไปช่วยซ้ำไปแต่นี้ก็นับว่าเราเป็นครวิญาติาจโจมมีธุระการงานมากได้ขนาดที่ว่านับวัาดีแสนดีละ แต่ถ้าว่าขาดตกปกพ่องปล่อยปาละเลยแสดงว่าเราเป็นพุทธมามากรรมที่พุทธบริษัทนี่ย่อย่อนอยู่มากถ้าเ ป, ปรียบกับศาสนิกของศาสนาอื่นเพราะฉนั้นให้พวกเราแบให้มองดูพวกเรานะนะั่นน่ะก่อนหลับก่อนนอนก็ไหวพระสวดมนต์สักก่อนด้วยคอยหลับค่อยนอนตื่นนอนมาก็ไหวพระสวดมนต์สะกก่อนถ้าว่ามีอุดความ อุตสาหะวิริยะมากกว่า น, นั่นก่อนนั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธทําใจให้สบายทําใจให้เย็นปล่อยวางให้ว่างสักขาหน้าทีสิบนาทียังค่อยออกไปทําการงานหรือบอกก่อนนอนก่อเราก็นั่งภาวนาซะก่อนให้ใจบางๆซะก่อนยังค่อยนอนอันนี้กับล้วนแล้วเป็นสิริมงคลสําหรับพวกเราทั้งทั้งหลายเป็นมงคลของชีวิตของพวกเราเนะี่ย เออันนี้คือเข้าสร้างหลักให้แกจิตใจได้ยึดอ่าจิตใจที่มีหลักยึดแล้วเอ่เปรียบเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเปยเป็นผู้มั่นคงเพราะนั้นพวกเราท่นทั้งหลายควรจะควรจะมีหลักจิตหลักใจไว้นั่นแหละเ่เพราะชีวิตของพวกเราเนี่ยจะยืนนานไป็สักเท่าไรถ้าจะว่าไปแล้ว่หลักของพุทธศาสนาที่ท่านให้ระ ล, ลึกถึงความตาย ไว้อยู่เสมอลักษณะเหมือนกับถ้าเราพิจารณาอีกแบบหนึ่งแบบสามัญสำนึกคิดทั่วๆ่วไปก็ว่าเอาความตายมาขู่กันอย่างั้นเถอะแต่แตามไม่จริงไม่เป็นอย่างนั้นนะเราจะไปคิดว่าเอาความตายมาขู่กันมันตายจริงๆน่ะเ อ, อแต่ ว, ว่าขู่ได้ยังไงเพราะทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าให้ะระลึก ถ, ถึงความตายนี่เป็นของธรรมดะ ทุกคนต้องเกิดมาแล้วตายเป็นธรรมดาอย่างพวกเราสว ด, ดนี่แหะแต่มันตายจริงๆว่งงางั้นไม่ได้ไม่ใช่มาขู่กันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่น น, นี่แหละก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นเข้ามาเนี่ยเราก็ควรจะเตรียมพร้อมไม่ใช่เหรอแล้วจะปล่อยปาล่าเลยไม่สนใจมันก็ไม่ถูกเพราะภัยข้างหน้ามันจะมาถึงเราอยู่แล้วเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรเนี่ยพราะคุณได้เจ้าท่านสอนนะ สอนพวกเราหาวิธีการที่จะเตรียมตัวอย่างไรจะไปเชิญหน้ากับความทุกข์มรณะภัยจุดนั้นที่มาถึงนั้นอะชลาทุกพยาธิทุกชาติทุกเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราก็รู้แล้วผ่านมาแล้วชลาทุกคือความแก่ขณะนี้เราไปมาที่ไหนได้เราก็ยังไม่เท่าไหร่นะถ้าแก่ขึ้นกว่านี้ล่ะ หูหนวกตาฟังเข้าไปแหละนั้งเหี่ยวทานอาหารไม่ได้นอนไปหลับนี่ยความทุกข์ชราเป็นยังไงพยาธิเนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นได้ชัดเลยตอนนี้เวลาเป็นไข่เจ็บไข้ได้ป่วยเห็นได้ชัดขึ้นพยาธิทุกข์ไปยังไม่พอเนี่ยมรณะทุกข์คือตอนที่ใจจะขาดใจใจะใจจะตายนะทุกข์มากๆมากด้านในพวกเราเตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอทําคุณงามความดีไว้เสมอ ที่ว่าให้ใจมีหลักกันคือภาวนาทำใจให้มีหลักกันเนี่ยเพื่อจะต่อสู้กับมรณะภัยที่มาถึงเราจะทำใจอย่างไรในจุดนั้นถึงจะไปไม่เสียท่าเสียทีจะไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าได้เพราะเหตุใดทำอย่างไรถึงจะทำใจให้ปลุกพ้นได้เมื่อมรณะภัยมาถึงอันนี้ก็คือเป็นการเตรียมพร้อมอย่างเมื่อวาน วันวนก่อนนะวันที่ยีสิบวันที่28สิงหาเนะ่ยเป็นวันไปชุมเพลิงของหลวงพ่อปัญญาปัตตปาบ้านตากท่านมาอยู่เป็นพระฝรัง่งท่านมาบวชถึงสี่สิบปีที่มาอยู่บ้านตาก41ท่านมาอยู่บ้านตาก3ากปีบวชเข้ามาสี่สิบกว่าปีเคยบวชเป็นมหานิกายมาก่อนนี่แหละ ในช่วงนี้รู้สึกว่ามีแต่มรณะภัยนะที่หลวงพ่อได้รู้ดูเห็นเห็นในพวกที่อยู่ไปไกลทั้งนั้ น, น, นเลยนะอย่างหลวงปูเ่เจ้าเนี่ยมรณะผ่าไปในเจ็ดแปดวันเนี่ยวัดภ พ, พธิทตะปฏิปทารามก็เป็นลูกน้องของหลวงตามหาบัวหน่อยหนึ่งอ่อนกว่าหน่อยหนึ่งแต่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ กำมารณ์ภาพแล้วน ะ, ะยินว่าวันนี้ก็ได้ยินอีกเนี่ยเจ้าคณะอําเภอกุดจับมรณภาพก่อไว้ที่วัดโพก็นิมนอให้ไปดูไปกราบศพอยู่เนี่ยเยยายพันธ์บังตู่นางบังเนี่ยอรวดแล้วจะอยู่ใกล้ๆทั้งนั้นเลยมารณ์ภัยเนี่ยถเกิดลมตูมเ่ยตูมเลยตูมนั่นตูมนี่นเลย อีกสวัวนหนึ่งมันจะปูมมาหาหลวงพ่อเหมือนกันนะอ่เพราะฉะนั้นเลยแจะเราจะประมาทได้อย่างไรเนี่ยไปนี้ก็ท่านหลวงพ่อปัญญาครับท่านบรรณาภาพวันที่สิบแปดกับเผาวันที่ยี่สิบแปดอ่งตาเก็บไว้เพียนสิบวันนะเนี่ยเป็นชาวกลางประเทศชาวต่างชาติไปเห็นแล้วก็เออพอท่านบรรณาภาพวันเผาที่ยีิบแปด พระฝรั่งมาจากต่างประเทศก็มีนะบินมาจากต่างประเทศออสตเตรเลียหลายประเทศที่บินมามาเผาศพโดยเฉพาะจากนั้นพระประเทศไทยนีย่มีพระฝรัง่งถ้าจะดูแลก็อาจเป็นพระชาวชาวต่างชาติมากเลยแต่เ็นเพ่อนพระพระฝรั่งจริงๆก็ประมาณสัก3ามสี่สคงจะได้พนะแต่ว่าเป็นพระเกาหลีไต้หวันฮ่องกง ที่มาบวชเมืองไทยที่อยู่ต่างประเทศมาเนี่ยทุกศิษย์กบมีพอสมควรอยู่พราะเราแยกไม่ออกไงเนี่เพราะมันเหมือนกับคนไทยเนี่ยพระไทยกับพระบุนั้นเหมือนกันแต่พูดเท่านั้นแตเสียงออกมาแตกต่างกันมางั้นจากนั้นก็มีญาติโยมฝ่ายผู้หญิงผู้ชายเป็นฝรั่งเป็นเกาหลีไต้หวันฮ่องกงอย่งางว่าก็มีอีกนีที่มาร่วมงานศพเมื่อวันที่ยี่สิบแปด รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนมากนะพระสงฆ์เป็นหลายพันองค์ว่างั้นน่แต่พี่น้องประชาชนญาติโยมเป็นเรือนแสนคนมั่งนะรู้สึกว่ามากจริงๆมาเผาศพหลวงพ่อปัญญาบัดปาบ้านตาดเห็นพระฝระังเห็นพระต่างชาติเห็นญาติโยมต่างชาติแล้วก็รู้สึกว่าใจชื้นขึ้นมาเหมือนกันนะเพราะเหตุไรก็เพราะว่าเออพุทธศาสนาเนี่ยดูดูแล้วก็ยังไม่สุดส่วยรวยแหลม ยังขยายไปต่างประเทศไปสู่ทั่วโลกได้รู้สึกว่าอบอุ่นมองเห็นแล้วอบอุ่นว่างั้นจอถัดมากราบมาไหว้รู้สึกอ่อนน้อมทอมตนเหมือนกับพระไทยทุกอย่างนั่นน่ะค้องผ้าอะไรก็เหมือนการหมดก่อนน่นก็ให้พระสวดมาดิกาบางสกุลเอ า, าพระฝรั่งขึ้นไปสวดจากนั้นก็ คารวะศพอะไรก็เหมือนกันน่ะท่านผูก้อ่างแต่ถ้าพูดไม่ได้ไขนาดสวดปฏิโมกย็ยังสวดได้เก่งกว่าพระไทย ห, ยหลายองค์อยู่นะพระฝรั่งบางท่านบางองค์งเห็นเห็นเรากน้านับถือน้าเคารพเหมือนกันอันนี้ก็คือเผาศพหลวงพ่อปัญญาที่วัดป่าบันตาดนี่แหละ สรุปแล้วก็คือไม่ไม่ว่าพระฝรั่งไม่ว่าพระไทยเอวนั้นแหละไม่ว่าญาติว่าโยมเป็นพระเป็นเจ้า เ, าเป็นญาติเป็นโยมเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เลือกชาติชั้นวรรณะตายโดยการทางนั้นอไม่ได้เลือกไม่ได้ว่าอายุเท่านั้นจะก่อนอายุเท่านี้จะก่อนจริงจะตายก็ไม่ได้ว่าอีกอถึงคราวแล้วก่อนนั่นแหะต่างคนก็ต่างไปเจ็บไข้ได้ป่วยคนนั้น หลักของพระศาสนาหรือพระพุทธเจ้าท่านถึงเตือนตักเตือนพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาแล้วเหมือนกับผลละหมาหลากไม้ เ, เห็นไหมมะม่วงหรือหมากอะไรก็ตามผ ล, ละไม้ลูกเล็กๆมันก็หล่นก็มีโตขึ้นมาหน่อยหล่นก็มี ขนาดทาหามสุกําหามขนาดครึ่งครึ่งกลางกลงหล่นก็มีผลสุกแก่สุกงอมหล่นก็มีสรุปแล้วหล่นทุกลูกไม่มีลูกไหนที่จะข้ามปีข้ามเดือนเป็นสองสามปีจึงจะหลน่นไม่มีถึงปีแล้วก็หล่นหมดอันนี้ก็เหมือนกันชีวิตของพวกเราก็เหมือนกับผลไม้นะ่ะจะเจียบเรียบเทีย บ, ยบแล้ว ไม่ถึงถ้าร้อยปีเกินไปก็ไม่ไม่นานเหงั้นกันแต่เป็นอายุไขแล้วเกินร้อยปีไปก็ไม่กี่ปีแหละถ้าถึงร้อยปีแล้วแปลว่าร่างกายหมดสภาพแล้วถึงจะอยู่ก็อยู่แบบนั้นล่ะอยู่แบบคนแก่อยู่แบบหมดสภาพอยู่แบบลมหายใจเข้าออกเดินได้เท่านั้นเองอย่างมากเหมือนั้นแต่บางคนก็นอนอยู่กับที่แล้วหมดสภาพจริงๆ แต่ไม่ตายอันนี้ก็ชีวิตของมนุษย์ของพวกเราก็ลักษณะอย่างนั้นแหละเพราะนั้นท่านิจิไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทถึงตุ่นลูกเล็กๆมันก็หล่นคือเมื่อเกิเดกเด็กก็ตายได้เด็กนุมๆก็ตายได้มัม ม, ม่วมกวาลังจะเข้าแกนตายก็มีบางทีกับสุกหามอัมพา ม, ามตายก็มีเรามาแกแล้วก็ตายหล่นก็มี เนีสุกเนะ่พอมันสุกแล้วจึงอยู่ไม่ได้ลหล่นทุกลูกกว่านั้นแ่เอ่มันแก่เต็มที่แล้วคนเราก็เหมือนกันกับผลละไม้เพราะนั้นเราจะคิดว่าแก่ซะก่อนจึงค่อยหลน่นอย่างนั้นไม่ได้อลยอ่อนหล่นก็มี เพราะนั้นท่านจริงอ่อนก็ควรจะสร้างคุณงามความดีควรจะรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของพวกเราเนี่แหละในหลักของพระพุทธเจ้าจังหวัดเป็นเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนอนใจอสอบแสวงหาคุณงามความดีส่องแสวงหาบุญกุศลเอ เข้าสู่จิตใจของพวกเราเหมือนกับถ้าเป็นคารวะาอยากโยมทลายเหมือนกับสกสแสวงหาทรัพย์หาเงินหาทองเตรียมไว้เพื่อวันพรุ่งนี้ต่อไปแต่นี่เราสกแสวงหาบุญกุศลมาเตรียมไว้ในชาตินี้เพื่อออกจากภพนี้ชาตินี้ไปแล้วไปชาติหน้าเราก็จะได้พึ่งพาบุญกุศลที่เราทำไวในชาตินี้เพราะมันสืบเนื่องกัน ถ้าเราทำกรรมไม่ดีในชาตินี้เมื่อใจขาดไปแล้วคนนั้นอะบุญอัปกุศสณก็จะส่งพวกเราไปทางต่ำถ้าเราทํากรรมดีไว้ในชาตินี้บุญคุศลก็ส่งเราส่งจิตส่งใจของเราไปสู่สุขคติไปสู่สุขคติไปเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบไม่บาบ่ายเสียจิตผิดมนุษย์มานา แต่ถ้าว่าเราทำกรรมชั่วสิ่งที่ไม่ดีถึงจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่พิกลพิการในหลักท่านว่าถ้าว่าใครชอบกินเหล้าเมายาอย่างเนี้ยในชาตินี้เกิดมาพบหน้าชาติ่าเป็นคนปัญญาอ่อนเพราะอั น, นิสงเหล้าอเนกสงยาเสพติดบาป ก, กรรมของยาเสพติดบากปรกรรมของเหล้าของเบีย ทำให้จิตใจสมองไม่โปร่งใสปั่มป้่มเ ป, เปอร์เปอร์เป็นคนปัญญาอ่อนอันนี้คือพระพุทธเจ้าพันพยากรไว้แล้วใครทำกรรมสิ่งไหนไว้มันเป็นเส้นเป็นสายไปได้เพราะนั้นพวกเราอยากไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีทำแต่สิ่งที่ดีเมื่อทำสิ่งที่ดีใน พบนี้ชาตินี้แล้วเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองต่อไปภายภาคหน้าก็จะอยู่กับพวกเราทั้งหมดถ้าจะว่าไปและชีวิตของพวกเราทุกๆคนเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันเหมือนกับตำราเล่มใหญ่มันเหมือนตำราเล่มหนึ่งขึ้นมาเลยถ้าจะถ้าจะเปรียบเทียบเป็นตำรานะในสมัยเป็นเด็กเราเป็นยังไงอ่านดูสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวอ่านดูเขาดตกบกพร่องไหม สมัยเมื่อทําการทํางานแล้วอ่านดูชีวิตของเราจนมาถึงเดี๋ยวนี้ขณะนี้เป็นยังไงอ่านดูและอนาคตเราจะวางตัวยังไงอ่านไปในอนาคตอีกจนถึงชีวิตจะหาใหม่แล้วอ่านยังไงอีกนะให้อ่านชีวิตของตัวเองอเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปไม่ใช่ว่าสนุกสนานเฮฮา ปาร์ตี้กลาเป็นวันๆเดือนๆไปแล้วกะจบโดยที่ไม่ได้คิดในอ่านอะไรเลยไม่ได้เลยชีวิตของเราเนี่ยต้องให้มีคุณค่าตลอดไปอย่าทำชีวิตของตัวเองประจําวันหรือประจําเดือนหรือประจําปีให้ขาดตกบกพร่องควรจะทำให้มีคุณค่าเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีไปเรื่อย เก็บพร้อมลอมลึกซึ่งบุญกุศลเก็บพร้อมลอมลึกซึ่งคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราถ้าทําได้อย่างนี้แนหะขนาะแบบอย่างที่พูดเบื้องต้นว่าหาหลักเอบแอบตั้งหลักให้แก่จิตใจจิตใจจะยึดหลักคุณงามความดีเมื่อยึดหลักแล้วพวกเราจะมีแต่ความรลภเย็ยนผาสุขกลางจิตใจนะและลึกถึงและคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ใจของเราก็ มีความเย็นสบายมีความสุขเพราะว่าเราไม่ได้ทำกรรมชั่วเสียหายอะไรเราแต่สร้างแต่คุณงามความดีเพราะนั้นพวกเราอยากยบทุกทุกท่านนะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเพื่อให้พวกเราได้คิดได้คิดและนำไปพิจารณาไตรตรองดูจริงไหมชีวิตของคนเรา แต่พวกเราก็เห็นแต่คนตายบางคนก็พูดไม่ง่ายโว้ปดตายแล้วมาเห็นเขามาบอกตายไปแล้วก็แล้วไปมันตายแล้วก็ศูนแต่ตามไม่จริงไม่ศูนย์เด็กตายแล้วเกิดอีกสิ่งที่มันตายมีสิ่งที่มันไม่ตายมีแต่พวกเรารับไม่ได้เียกว่าเขามาบอกไม่ได้เพราะมันสุดพิสัยมันทําไม่ได้เพราะไม่มียาณทัศนะเขาก็ วิทยุก็ไม่ดีขึ้นก็ไม่ดี เ, เราขึ้นไม่ดีที่จะรับกันมารับไม่ได้ต่างคนต่างรับไม่ได้แต่ถ้าว่าผู้ที่รับได้ท่านตั้งสถานีขึ้นมาแล้วท่านก็รับได้อย่างท่านภาวนาไปแล้วในญาณทัศนะนะท่านจะรู้ได้วตาตายแล้วไปที่ไหนใจขาดไปแล้วไปที่ไหนบิญญาณท่านนี่คนนี้บุคคล น, นี่ ท่านจะรู้ได้โดยยานาทัศนนะเพราะว่าท่านมีเครื่องมือแต่พวกเราทั้งหลายไม่ไมีไม่มีเครื่องมือแต่นั่งอยู่วยการท่านี่เป็นร้อยชีวิตเนี่ยใครคิดเรื่องอะไรบ้างไม่มีใครรู้ว่าใครคิดเรื่องอะไรยี่ยังรู้พ่อกาลังพูดนี่อาจจะพูดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่อย่างนั้นก็ได้บางทีเออใช่ถูกถูกถูกอย่างนั้นก็ได้ใครจะไปรู้นะ บางทีอาจจะประมาทอยู่ในใจก็ได้แต่บางคนอาจจะเริ่มใสว่าเออถ้าผูดต้องถูกต้องแล้วหลวงพ่อพูดอ้าวอย่างงั้นก็ได้เนี่ยใครจะไปรู้พอละพ่อเหตุว่าไม่มีญาณต่างคนต่างไม่มีญาณแต่ต่างคนก็ต่างคิดไปแต่ถ้าว่าพระพุทธเจ้าหรือพระรหันท่านผู้มีญาณทัศนะที่ท่านได้ฝึกแล้วเนี่ยท่านจะรู้ได้เนี่ยเดี๋ยวนี้พวกเราคิดเรื่องอะไรพอมานั่งทำมาธานเองก็มองกว่าสายตาไปเลย ก็รู้ได้เลยญาณทัศนะเหมือนกระจลีด้าไปเจอเข้าไปเลยเออพดนี้เมื่อฟังเทศเลยถ้าพูดอย่างนี้เป็นที่สบายของเขาเมื่อพูดอย่างนี้เข้าไปเขาจะได้ดวงตาเห็นธรรมจะได้เป็นพระอริยะบุคคลพระสูตราพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันในขณะที่ฟังธรรมเหล่านี้ท่านก็มองเห็นได้จากนั้นท่านก็แสดงธรรมเอาคนนั่นละก่อน เน้นจุดนั้นก่อนเลยพอจะได้ก็ได้สำเร็จมักสำเร็จผลต่อมา ก, กับคนอื่นๆได้เห็นดวงตาเห็นธรรมอย่างน้อยก็เห็นจริงถึงยึดพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นจรณะเป็นที่พึ่งทางด้าน จ, จิตใจเนี่ยอันนี้คือการแสดงธรรมในครั้งพระพุทธเจา้าแต่มาถึงยุคของพวกเราเนี่ครับแบบเวียงแห่ไปเรื่อยเหมือนั้นแหลคล้ายๆพูด เป็นที่พระอกเข้าใจเพื่อการศึกษาสุตตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาหรือทบทวนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นเนืองก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้อนี้ปัญญา ในหลักของพระพุทธศาสนามีอยู่สาขั้นตอนสองขั้นตอนแรกเนะี่ยคือสุตะมยปัญญากัจจินตามยะปัญญาเป็นวิชาของทางโลกทางโลกเขาถือกันเข้าตัวเขาปฏิบัติกันมีสองแต่ภาวนามยปัญญาเนี่เป็นปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเป็นปัญญาของพุทธพระพุทธเจ้าทําจิตให้สงบซะก่อนทำจิตให้เป็นหนึ่งซะก่อน ยังนำมาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลที่เราได้ยิยนได้ฟังคือทําจิตให้สงบให้เป็นหนึ่งเสกอบกอันนี้แบบเอาทำจิตให้แน่ให้จิตเป็นหนึ่งพิจารณาอะไรมันจะขาดเห็นตามเป็นจริงไปเลยอันนี้แบบเรีวยว่าปัจน า, านญาณหรือว่าภาวนาทำจิตให้สงบแล้วก็เพจารณาทางวิปัสสนาออกทางวิปัสสนาไป อันนี้คือมาย้อนถึงญาณทัศนะญาณทัศนะของหลักของพุทธศาสนาอถ้าจะเราจะเปรียบเทียบได้คพื่อท่านรู้ท่านเห็นดวงบิญยาณแต่ละคนแต่ละท่านหลุดออกลอยออกจากล่างไปแล้วจะไปที่ไหนนี่พพุทธเจ้าท่านรู้ได้จุดูป่าตาญาณการจุติของสัตว์เอ พระพุทธเจ้าในเครื่องมือเดียญนาศาสนะจากท่กานธักรรมสอนพระสงฆ์ก็ได้ญ า, า, าณทัศนะอย่างพระพุทธเจ้าก็มีแต่ว่าความรู้ความสามารถนั้น แ, แตกต่างกันไม่เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ของเกาหลีไต้หวันญี่ปุน่นอย่างนี้แหละแต่สู้ของยุโรปไม่ได้อย่างนี้แหละของอเมริกาของอังกฤษของ เยอรมันดีกว่าหรือว่าของญี่ปุ่นทุกวันนี้เขาประดิษฐ์เหนือกว่าอย่างนี้ใครเข้ามาเครื่องมือนี่มันก็ยังไม่ไม่เหมือนกันบางงานแต่จีดความสามารถไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นต้นต่อตำรับอย่างพระพุทธเจ้าเนะี่ยเออนั้นสยามภูรู้แจ้งโลกเก่งกว่าพระสงฆ์ทั้งหลาย เ, เลิศกว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นญาณญาณทัศนะที่กว้างไกลมองได้ชัดเจนและะเอียดทีท่วน อกว่าพระสงฆ์ทั้งหลายแต่พระสงฆ์ทางหลายก็มีอยู่แต่ว่าไม่ละเอียดเหมือนกับสถานีวิทยุท้องถิ่นอย่างนี้นะละรับไม่ได้กี่คืนรับไม่ได้ยาวท้าว่าสถานีวิทยุของต่างประเทศทัาเนี่ยอยู่อเมริกานะส่งขึ้นดาวเทียมกระจายไปทั่วโลกอย่จะเนี่ยใครเปิดที่ไหนก็รับรู้รับทราบได้อย่างนั้นละ่ะ ฐานทัศนะของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันนะกว้างขวางใหญ่กว่าส่วนภาษาวกนั้นก็ไม่ได้ไกลเหมือนกับพระพุทธเจ้าแต่องค์ไหนที่บารมีแ ก, ก่ก้าวกาไม่ถึงกับพระพุทธเจ้าแต่ก็มองได้ไกลกว่ า, าได้กว้างกว่าหลายหลายองค์อันนี้ก็คือบุญบารมีของแต่ละท่านอย่างพระพุทธเจ้าพระอนุรุทธะเป็นพระอนุชา บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราพระอนุชาเท่านั้นเป็นลูกผู้พี่ผู้น้องพระอนุรุทธาเนี่นะเนี่ยที่บวชสหายอกหกองเนี่ยวักคุกิมพลิเนี่ยอนุ์เทวทัตอนุรุทธาเนี่ยเนี่ยเป็นเชื้อพระวง์ของพระพุทธเจ้าออกบวชอนุรุทธานี่คือท่านหนึ่งพอบวชพามาแล้วก็ได้เน่ยนิรุตติเนี่ยญาณทัศนะ นี่แหละใครคิดเรื่องอะไรพ ร, ระอนุรุทธาเนี่ยจะรู้ได้ทั้งหมดรู้ใจของคนอื่นรู้ใจสัตว์อื่นนึกคิดเรื่องอะไรรู้ถ้าท่านอยากจะรู้นะเป็นเสียท่านจะไม่อยากจะรู้ท่านก็คงจุกหุกเล็บไว้มั่งเออท่านจะไปรู้ทั้งวันทั้งคืนเออใครคิดเรื่องอะไรเออมองดูใจคนนั้นมองดูใจคนนี้ มองอยู่ตลอดตรงพ่อว่านท่านคงจะอาเจียนอยู่ทั้งวันทั้งคืนพอว่าคนทั้งหลายมันมีแต่กิเลสราคะโทสะโมหะจุ่งเยิงวุ่นวายไปหมดไะงั้นเอท่านคงจะดูเป็นบางข้างบางคราวถ้านจะจะดูตรงไหนท่านก็คงจะออกดูถ้าไม่ดูละคงจะปิดหน้าต่างแหมเพราะโลกมันเป็นอยู่อย่างเนี้ยกิเลสตัณหามารทิสติโรคโกรธงมันจุงเยิงวุ่นวายไปหมดรไปงั้นอะท่านจะเปิดตรงไหนท่านก็คงจะดูเปิดดูตรงนั้นและกั คงจะปิดไว้ว่านยานทัศนานอย่า ง, า เ, ยยางเมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพานทีนี่ตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานวันเดือนหกเพนที่เมืองกุชินารานท่านก็กล่าวว่าขยัวยธรรมาสังฆาราอปมาเดนะซัมปาเดท่าติขอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้เราปฏิบิษมโอวาดเป็นคําพูดครั้งสุดท้ายที่ พ, พระพุทธเจ้าตรัสกับพระสงฆ์จากนั้นท่านก็ไม่พูดอะไรอีกทําการปรินิพานสีห์สายญาตตะแคงขวาหันหน้าไปทางทิศเหนือพระพักไปทางทิศเหนือหันพระเศียรไปทางทิศตะวันออกตะแคงขวาขาซ้ายเหลื่อมขึ้นมานิดหน่อย คู่ขานิดหน่อย เ, ออเลือมกันพระบาทซ้อนซ้อนกันเลีมกันทำการปรินิพพานอันนี้คือศาสตาท่านไม่สะทกสะทานมรณะภัยเป็นของธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายพทธองค์รู้แล้วว่าร่างกายนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นขะนั้นพระองค์พอพูดจบแล้วพระองค์ก็เข้าฌานญานณทัศนะคือฌาน เขาปฐมชานปูติยชานจะติจะติยชาญจะตุทัตชาตชานที่สี่ชานที่ห้าชาตที่หชานที่เจ็ด ช, ชานมีนอยู่เจ็ดพอเขาถึงชาตที่เจ็ดย้อนกลับลงมาพระสงฆ์ทั้งหลายที่นั่งล้อมรอบพระพุทธเจ้าอยู่ในขณะนั้นแปบลบว่าตาไม่กระพริบเลย จ้องมองตาขม็งเลยแบบนั้นเถะพระอนุรุทธะขณนั่งอยู่ในนั้นด้วยพระอนุรุทธะได้รับเอธะคะจากพระพุทธเจ้ า, าเป็นผู้รู้จิตของคนอื่นคิดเรื่องอะไรพระสงฆ์ก็ถามว่าท่านอนุรุตพระพุทธเจ้าปรินิพานได้ยังพระอนุรตุตตอบว่าอย่างเดี๋ยวนี้พระพุทธองค์กําลังอยู่ในฌานนั้น อยู่ได้ชานที่สองนี่งนี่เออนี่ยอยากไปไปชานที่สามแล้วเออเนี้ยขยับไปชานที่สี่แล้วอันนี้ขยับไปยานชานที่ห้าแล้วชานที่หกแล้วชานที่เจ็ดแล้วเออนี่กําลังย้อนกลับมาอีกและวลงมาชานที่หกชานที่ห้าชานที่สี่เจนถึงชานที่หนึ่งแล้วไปเนี่ยกาลังกลับเข้าไปอีกชานที่สอง ฌานที่สมฌานที่สพอในระหว่างฌานที่สี่กับฌานที่หนะ้าเนี่ยพราะพุทธองค์ปรินิพานในระหว่างกลางไม่ปรินิพานในจุดกับฌานในฌานหนึ่งพระพุทธองค์ปรินิพานในระหว่างฌานที่สี่กับฌานที่ห้าต่อกันนะี่พุทธองค์ออกไปในจุดนั้นปุ๊บวิพานพระอนุรุตบอกกล่าวเลยจบแล้ว พระพุทธองค์ปริมิพานแล้วนอกเหนือจากสมมุติทางหลายทางปวงแล้จะเอาสมมุติไปจับไปเทียบไม่ได้แล้วพระพุทธองค์ไปอยู่ในสถานที่ใดในว่านิพพานังปรามังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งจบแล้วนิพพานังปรามังสูญจังนิพพานเป็นของว่างเปล่าอากิเลสไม่มีในหัวใจไม่มีไม่มีไม่มีในความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าแล้วจบล้บริบูรณ์แล้ว เ, เป็นความสุข เป็นอนันตาการแล้วไม่มาเกิดไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักสงสารนี่อีกแล้วนี่แหละพระอนุรุทธะท่านมียานทัศนะขณะขาทูปวรจิตของพระพุทธเจ้าต่างหากเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนานี้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแต่สามัญปรตุชนตายไปแล้วเนี่ยบาปบุญจะนำพาดวงวิญญาณของพวกเราไป แต่ถ้าว่าพวกเราทํากรรมดีสร้างบุญสร้างกุศลไป ม, มากใจจะขาดขึ้นมาแต่เห็นพระเห็นเจ้าเห็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมเออมาคอยรับต้อนรับขับสู่ออไปสู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งออถ้าต่ํากว่านั้นลงมากะเอ อ, เ อ, อบุญกุศลเป็นพานะพาไปเกิดในตระกูลที่ร่ํารวยตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ไปเกิดตามกรรมของตนเองแต่ถ้าว่าเราทํากรรมชั่วบาปอกุศลมีพาไปเกิดเป็นมนุษย์ก็จริงอยู่แต่มนุษย์ที่ตามต้อยหูหนวกตามบอดตาบ่ายเสียจิตไปละบาดถ้าเราทํากรรมหนักมากกว่านั้นก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ถ้าตามมากกว่านั้นก็ไปเกิดเป็นเปรตอาสุรกายเปรตตะวิสีสเป็นเปรต หิวโหยเออร่างกายผิดแปดแตกต่างตามกรรมวิบากกรรมที่ตกแต่งให้เป็นไปทำ ม, มากาะนั้นก็นลงไปตกนรกหมกไห ม, มเออนรกสิบหกกลุ่มอะโลกันตะนรกอเวจีมหานรกอะไรลักษณะอย่างนั้นแหละเ่เพราะนั้นสรุปแล้วก็คือคนเราเนี่ยตายแล้วไม่สูญเอออย่าไปทำกรรมชั่วกรรมชั่วนั้น จะพาไปสู่ทุกขติถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีจะพาไปสู่สุขติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นท่านจึงให้สร้างคุณงามความดีเตรียมเอาไว้ให้ทานเตรียมเอาไว้รักษาศีลเตรียมเอาไว้ภาวนาเตรียมเอาไว้แต่วันนี้พวกเรามาฟังสุตตมยจจัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง เมื่อลุงพ่อได้พูดให้ฟังพวกเรากนนำไปคิดดูเออจริงหรือไม่แต่พวกเรายังไม่ถึงขนาดนั้นออพวกเรากนเดออ็สอนให้ภาวนาลุงพ่อบอกให้ภาวนานะและพวกเราก็ตั้งใจภาวนาออหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธนี่แหละเป็นเบื้องต้นที่จะเกิดเมื่อจิตสงบแล้วออต่อไปก็เกิดญ า, าณทัศนะรู้ได้ถ้าเรามีบุญบริมีเก่านะ อะไรท่าวิธีการพิสูจน์พิสูจน์เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์ตายเกิดตายสูญคือภาวนาเท่นี้แหละเพราะฉะนั้นถึงเราจะไม่พิสูจน์หรือไม่พิสูจน์ก็ตามนะพยายามทำจิตให้สงบทําจิตให้ว่างเอาไว้ก่อนหลับก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์ขะนั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเอาไว้นะในส่วนรักษาศีลหนึ่งเออ วันพระวันเจ้าหรือวันเกิดของเราหรือวันเกิดพ่อแม่ของเราที่เรารักเคารพเราขรักษาศีลเพื่อบูชาพระคุณของท่านอย่างนี้ก็ได้ถ้าเร า, เราอายุมากขึ้นมาแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องคาสัตว์รักษ์เพื่อปิดในการมมูสาสุราเราควรจะเตรียมตัวได้แล้วอายุถึงขนาดนี้ควรจะบอกให้ลูกให้เต่าก็ทําซะ เราก็หาทางหนทางของเราต่อไปเราก็ธุระการงานภายนอกเราก็ทำช่วยเขาแต่สิ่งไหนที่มันขัดต่อศีลธรรมเราก็งดซะอย่างนี้ก็แปลว่าเป็นผู้รู้จักตัวรู้จักหลบผู้จักหลีกกำลังหาช่องทางของตนเองไม่ถลําไปในทางชั่วสิ่งเหล่านี้สุดแล้วแต่ใครจะมีปัญญาไดชถ้าไม่มีปัญญาอะไรนั้นล่ะ ข่าไม่มีใครมาหาให้กินข่าเลยต้องหากินจนถึงวันตายเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปเรื่อยทํากรรมที่ไม่ดีไปเรื่อยอันนี้แปลว่าไม่รู้จักหลบไม่รู้จักหลีกเพราะฉะนั้นพวกเราให้รู้จักหลบรู้จักหลีกนะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางาต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาเอาตัวรอดได้ น, ะนั่นแหละร่างกายนี้ถึงจะทะนุถนอม เ, อเลี้ยงพีมันขนาดไหนก็ตาม มันก็ไม่เป็นเทียวบุตรเทียวดาหรอกไม่เป็นแท่งทองขึ้นมาหรอกมีแต่แก่มีแต่เท่าไปเรื่อยๆน่ะผลสุดก็ตายจบเพียงแค่นั้นเพราะนั้นการเลี้ยงชีวิตของเราพอประทังให้เป็นไปอย่าไปทําสิ่งที่มันไม่ดีทําแต่สิ่งที่มันดีสิ่งที่เป็นกุศลนั่นแหละเราจะได้ภาคภูมิใจไปออกจากภพนี้ชาตินี้เราจะได้เป็นสูงสุขติ ก็ตีภูมิชั้นใดชั้นหนึ่งพบภูมิชั้นใดชั้นหนึ่งไปไปพักผ่อนเพางั้นแหละไปพักผ่อนอยู่บนสวรรค์ซะก่อนอจะไปทางไหนค่อยว่ากันเพางั้นแ่ละออันนี้แปลว่าเป็นผู้มีบุญแต่ถาาว่าเราไม่ได้เตรียมการเอาไว้กับอย่างบ้า น, นั่นนะเหมือนเราจะเดินทางไปอเมริกาอังกฤษหรือต่างประเทศเยมันข้ามภพข้ามชาติใช่ไหมล่ะตายไปเนะี่ยเราไม่ได้เตรียมเงินเอาไว้ทํายังไง แน่แจริงๆรจังๆกัต้องจนแน่ๆว่า ง, งั้นแต่ผมมาได้เตรียมเอาไว้อืแต่ถ้าว่าเราเตรียมเอาไว้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้อถึงอย่างนั้นก่อบุญกุศลก็ต้องติดเนื้อติดตัวไปด้วยติดกระเป๋าไปด้วยว่า ง, งั้นแต่ไปสู่ไปทางหน้าก็อไม่อับจนว่า ง, งั้นแต่บุญกุศลก็เป็นเครื่องเครือกู้หนุนจิตใจของพวกเราเพราะฉะนั้นทันจริง ขณะที่มีชีวิตอ ย, ยู่เขาพูดใ้เจ้าจึงสอนทําสร้างคุณงามความดีไว้นะ่าอย่าประมาทนะ่าชีวิตไม่นานนะ่าตายแล้วไม่สูญนะ่าตายแล้วเกิดอีกแน่นอนนะ่าบาปุลคุณโทษมีจริงนะ่านรกสวรรค์มีจริงนะ่าท่านจึงสอนพวกเราอย่างนี้เพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายนะเมื่อได้ยินในฟังแล้วก็ น, นําไปไตรตรองพิจารณาตามที่ได้หลวงพ่อได้พูดให้ฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยนะพวกเราควรจะทำเรื่องทานก็เป็นพื้นฐานตักบาตรใจบาตร เ, เรามีอยู่มีกินเราก็ทำบุญทาทานไปพระสงฆ์องค์ก็จ้ามาบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านเออเอาใจตามอัตภาพของเราทำบุญทาทานในครอบครัวของเราหามาด้วยน้าพักน้ำแรงของพวกเราเทาบุญทาทานอันนี้ก็ถือเป็น นิสัยอุปนิสัยคนชอบทําบุญทําทานเกิดมาพบใรชาติใดอันนี้สงสินอันนี้สงทานก็จะนําไปสู่ความไม่อดไม่อยากพออยู่พอกินพอเป็นพอไปอันนี้สงทานเกื้อกุลห น, นุนอันนี้สงสินเราไปเกิดในภพภูมิใดก็ไม่มีใครเบียดเบียนลังแกชีวิตของเราก็ผมเย็นเป็นสุขอันนี้สงสินคุ้มครองเราอันนี้สงการภาวนา เราภาวนาทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งเกิดมาพบหน้าฉาดหน้าก็เป็นภูมิสติปัญญาเสียบแปลมเป็นปัญญาที่เฉลียวฉลาดพอาะอเนกสง์การภาวนาเพราะนั้นทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนานเป็นหน้าที่ของพวกเราจะทําพร้อมๆกันไปนะแล้วก็วันนี้หลวงพ่อได้พูดเพียงเท่านี้ก่อนต่อไปก็ให้หนั่งสมาธินะ นั่งกัศมาร์นั่งกัสมาธิเหมือนกับพระประธานที่พวกเรามองเห็นข้างหน้านั่นก็ให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธนะวันนี้ไม่เปิดเทปนะให้นั่งภาวนาเลยลวันนี้กำหนดลมเข้าพุทธหายใจออกโธให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโธ ท, ทำใจให้ว่างททำใจให้สบาย อย่าไปคิดถึงอดีตจะไปคิดถึงอนาคตอในขณะที่เราทําความเพียรขณะที่นั่งภาวนานี่ยนะไอ้วันผุ่งนี่บุรีนี้ไม่ต้องคิดถึงให้จิตอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้แอละถ้าวอกมันจิตจิตมันคิดมันปรุงมันฟุ้งมันเอาไม่อยู่ให้นึกพุทโธไว้ๆเกี่ยวเร็วนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไมแต่ไม่ต้องไม่ต้องบ่นออกปากนะไอ้นึกพุทโธในในหัวใจแบบนั้นแต่ ในหัวใจนพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธในใจนะ เ, เมื่อได้เมื่อถึงเวลาแล้ว เ, เดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกให้ออกจากสมาธิขณะที่ยังไม่นั้นพยายามดูใจของตัวเองเอถึงจะปวดแข้งปวดขาก็อดเอาบ้างเมื่อจิตเมปวดแข้งปวดขาเอ้ามันปวดตรงไห น, นใครเป็นคนว่ามันปวดปวดแข้งปวดขาน่ะ ใจของเราไปรับรู้มันไม่ใช่เหรอเมื่อคนตายไปแล้วน่ะใจไม่มีบิญยาณไม่มีมันปวดไหมเอามีดสับขวานฟันน่ะมันปวดไหมมันไม่ปวดเพราะไม่ปวดเพราะอะไรเพราะใจไม่รับรู้เพราะนั้นอย่าไปรับรู้มันสิกายก็คือกายใจก็คือใจคนละส่วนกันไม่รับรู้มันเอาปวดต้องปวดไปอันนี้คือเวทนาพิจารณาเวทนาพิจารณาความเจ็บความปวดปวดเข่าปวดแข้งปวดขา อะไรก็ตาม เ, าเราพิจารณาเออ น, นี่เวทนาเวทนาสัตว์วิเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าเราไปแบกมันไปรับรู้มันมันเขาปวดเพราะใจของเราไปรับรู้มัน เ, เพราะนั้นเวทนามันเกิดอยู่ในกายเท่านั้นน่ะมันเกิดอยู่ในกายเราจะไปรับรู้มันากายก็คือกายใจก็คือใจเป็นคนละส่วนกันถ้าเราพิจารณ า, าแยกแยะอย่างนี้ได้นั่นละเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเยด อันนี้คือวิธีการพิจารณาเวทนานะทุกคนก็ปวดหมดทัน่ะเจ็บหมดทน่ะแต่มันเจ็บมากน้อยต่างกันเท่านัเองแต่ถึงยังไงยังไงเราก็เพียารณาวิธีการพิจารณาเวทนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังนี่แหละถ้าไม่มีเวทนาการกำหมดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่าไปคิดไปทางอื่นทําใจให้ว่างๆทาใจให้สบายๆในขณะที่น่งภาวนา ต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะหยุดพูดแล้วนาธนีเอานั่งภาวนาพุโทโธต่อไป